นิระยะวักหมวดว่าด้วยคนทำกรรมชั่วตกนรก 1. สุนทรีปริพาชิกาวัตถุเรื่องปริพาชิกาชื่อสุนทรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนที่ชอบกล่าวคำไม่จริงหรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่าฉันไม่ได้ทำต่างก็ตกนรก คนสองจำพวกนั้นดางก็มีกรรมชั่วตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้า 2. ทุกขปีลิตะสัตตวัตถุเรื่องสัตว์ถุทุกเบียดเบียนพระผู้มีพระภาคตรัสพระกาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุชั่วจำนวนมากมีภากาสาวะพันที่คอมีทาเลวซามไม่สำรวม ย่อมตกนรกเพราะบาปกรรมทั้งหลาย 3. วัคุมุทาตีริยพิกขวัตุเรื่องภิกษุอยู่ฝั่งแม่น้ำวักคุมุทาพระผู้มีพระภาคทรงปราบรภิกษุผู้อยู่ฝั่งแม่น้ำวักคุมุทาพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนของกันและกันแก่ครหัสเพื่อปากท้อง จึงตรัสพระกาถาแก่ภิกษุเหล่านั้นดังนี้การกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดูดเปลวเพลิงยังดีกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวาย 4. เขมมเศรษฐิปุตรวัตถุเรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่นายเขมะกะ ผู้ชอบเป็นชู้กับพัญญาของคนอื่นดังนี้ น, นรชนที่ประมาทชอบเป็นชู้กับพัญญาของผู้อื่นย่อมถึงฐานะ4ประการคือ 1. ได้บาป 2. นอนไม่เป็นสุข 3. ถูกนินทา 4. ตกนรกเพราะการได้บาปหนึ่งการได้คติที่เลวหนึ่งหญิงชายที่ต่างสะดุ้งกลัวมีความสนุกนิดหน่อยหนึ่ง ถูกพระราชาลงพระอาชญยาอย่างหนักหนึ่ง น, นรชนจึงไม่ควรเป็นชู้กับพัญญาของผู้อื่น 5. ทุพเจ้าพิคุวัตถุเรื่องภิกษุผู้ว่ายากพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุผู้ว่ายากดังนี้ยากพาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ชั้นใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดี ย่อมฉุดเข้าไปในนรกชั้นนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมองและพรมอจรรย์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามอย่างนั้นไม่มีผลมากหากภิกษุพึงทำกรรมใดก็ควรทำกรรมนั้นให้จริงจังควรบากบั่นทำกรรมนั้นให้มั่นคงเพราะทำเครื่องละเว้นที่ประพฤติอย่างย่อหย่อนรังแต่จะเกลียทุรีลงใส่ตัว หอิสาปกติอิทีวัตถุเรื่องหญิงขี้หึงพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่หญิงขี้หึงและแก่บริษัทสีดังนี้ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะระลึกถึงความชั่วบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังส่วนความดีทำไว้เธอ ด, ดีกว่าเพราะทำแล้วระลึกถึงภายหลังบุคคลย่อมไม่เดือดร้อน อาคันตุกะพิกขุวะทุเรื่องภิกษุอาคันตุกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุอาคันตุกะผู้อยู่ในเมืองชายแดนดังนี้เมืองชายแดนได้รับความคุ้มครองทั้งภายในและภายนอกชั้นใดเธอทั้งหลายจงคุ้มครองตนให้ได้ฉันนั้นขณะยาได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสีย เพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่อมเศร้าโศกแออัดอยู่ในนรกแปดนิคันถัตถุเรื่องนิครพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พิสุทั้งหลายดังนี้สัตว์ทั้งหลายผู้ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายและไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายชื่อว่าถธอมั่นมิชาทิฐิย่อมไปสู่ทุขติ สัตว์ทั้งหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวว่าควรกลัวและเห็นสิ่งที่ควรกลัวว่าไม่ควรกลัวชื่อว่าถือมั่นมิชาทิฐิย่อมไปสู่ทุคติ 9. ้าวติทยสาวกกวัตถุเรื่องสาวกเดรถีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่สาวกของเดรถีดังนี้ สัตว um, uh ์ท huh. <S. inet. S 1> uh, uh ั huh. course, ้งหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษและเห็นสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่าถือมั่นมิชาทิฏยย่อมไปสู่ทุกติสัตว์ทั้งหลายผู้รู้สิ่งที่มีโทษว่ามีโทษและรู้สิ่งที่ไม่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่าถือมั่นสัมมาทิฏยย่อมไปสู่สุขตินิรยวัคที่22จบ านาขาวักหมวดว่าด้วยช้างหนึ่งอัตตะทันตะวัตุเรื่องการฝึกตนพระผู้มีพระภาคตรัสพระกถานี้แก่พระอานนท์ดังนี้เราจับอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินเหมือนพญาช้างในสงครามอดทนลูกศรที่ตกจากแรล่งเพราะคนจำนวนมากเป็นผู้ทุศีล คนทั้งหลายนำสัตว์พานะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมทรงราชพานะที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์คนที่อดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดม้าอัสดรม้าอาชาไนม้าสินทพช้างใหญ่ที่ได้รับการฝึกหัดแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนได้แล้ว ประเสริฐกว่าสัตพานะเหล่านั้น 2. หัตถาจริยาปุพกกะพิกุวัตุเรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนายควานช้างพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้เคยเป็นน า, น า, า, คะะานคยควานช้างดังนี้แท้จริงบุคคลไม่สามารถไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปด้วยยานเหล่านี้แต่บุคคลผู้ฝึกตนได้แล้ว สามารถไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยตนที่ฝึกแล้วที่ฝึกดีแล้ว 3. ปริชินะพราหมณปุตตวัตถุเรื่องบุตรของพราหมชราพระผู้มีพระภาคตรัพะคฐานี้แก่บุตรสี่คนของพราหมชราดังนี้ช้างกุญชอนชื่อธนะปาลกะตกมันจัดห้ามได้ยากถูกขังไว้ไม่ยอมกินฟ่อนหญ้า เพราะระลึกถึงแต่นาขาวันสี่พรเศนทิโกศลราชวัตถุเรื่องพระเจ้าพระเศนธิโกสลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าพระเศนธิโกศลผู้เสวยพระกรยาหารมากดังนี้เมื่อใดบุคคลผู้ถูกความ ง, ง่วงเหงาครอบงำบริโภคมากชอบแต่นอนกลิ้งเกลือยไปมาเมื่อนั้น เขาย่อมมีปัญญาเฉลยชาชอบเข้าห้องเป็นอาจินเหมือนสุกรอ้วนที่เขาขุนด้วยเศษอาหารฉะนั้น 5. สานุสามนเณระวัตถุเรื่องสานุสามนเนรพระผู้มีพระภาคตรัพยกรร า, านี้แก่สานุสามนเนรดังนี้แต่ก่อนจิตนี้ได้ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆ ต, ตามความปรารถนาะตามความต้องการ ตามความสบายวันนี้เราจะข่มจิตนั้นโดยอุบายอันแยบคายเหมือนควานช้างปราพยศช้างตกมันฉะนั้น 6. ปาเวรกะหัตถิวถัตถุเรื่องช้างปาเวรกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เธอทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตน จงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างกุญชอนที่จมลงในเปือกตมถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นเจ็ดสามพหูละพิกขุวัตถุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสประกถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันเป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราด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 ละทิ้งโคลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณเครื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลอันหนึ่งบุคคลควรมีความนขนน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าฉะนั้น 8. มารวัตถุเรื่องมาร พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่มารผู้มีบาปดังนี้เมื่อมีกิจเกิดขึ้นสหายทั้งหลายนำสุขมาให้ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตบุญนำสุขมาให้การละทุกข์ได้ทั้งหมดนำสุขมาให้ในโลกการเกลื้อกูลมารดานำสุขมาให้การเกลื้อกูลบิดานำสุขมาให้ การเกื้อกูลสมณะนำสุขมาให้การเกื้อกูลท่านผู้ประเสริฐก็นำสุขมาให้ศีล น, นำสุขมาให้ตราบเท่าชราศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้การได้ปัญญานำสุขมาให้การไม่ทำบาปทั้งหลายก็นำสุขมาให้นาควักที่23จบ 14. ตันหาวักหมวดว่าด้วยตันหา 1. กปิละมัชชวัตถุเรื่องปลากปิละพระผู้มีพระภาคตรัพระคถ า, านี้แก่บริษัทสี่ดังนี้ตันหาย่อมเจริญแก่มนุษย์ผู้ประพฤติประมาทเหมือนเถาย่านทรายเจริญอยู่ในป่าเขาย่อมเร่ร่อนไปมา เหมือนวานอนที่ต้องการผลไม้เที่ยวเร่ร่อนไปมาในป่าฉะนั้นตันหาที่เลวซามซ่านไปในโลกนี้ครอบเมืงำบุคคลใดไว้ได้ความโศกย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางที่ถูกฝนตกรดแล้วเจริญงอกงามขึ้นฉะนั้นส่วนบุคคลใดครอบงำตันหาที่เลวซามนั้นซึ่งล่วงได้ยากในโลกไว้ได้ความโศกย่อมตกไปจากบุคคลนั้น เหมือนหยาดน้ำกลิ้งตกไปจากใบโบเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นเราขอเตือนท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายที่ประชุมกันในที่นี้จงมีความเจริญขอท่านทั้งหลายจงขุดรากเหง้าแห่งตันหาเหมือนคนต้องการหญ้าแฝกขุดหญ้าแฝกมาร์ยาได้ระรานท่านทั้งหลายอยู่ร่ําไปเหมือนกระแสน้ําระรานไม้อ้อฉะนั้น 2. สูกรโปติกาวัตถุเรื่องลูกสุกรตัวเมียพระผู้มีพระภาคตรัสรัคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ต้นไม้เมื่อรากยังแข็งแรงยังไม่ถูกทำลายแม้ลำต้นถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นใหม่ได้ฉันใดความทุกนี้เมื่อบุคคลกระจัดตัณหานุัยไม่ได้ขาดก็ย่อมเกิดขึ้นเรื่อยๆฉันนั้น บุคคลใดยังมีกระแสตันหาอันแรงกล้า36สายที่มักไหลไปยังอารมณ์อันหน้าพอใจความดำริเป็นอันมากที่อาศัยราคะย่อมนำบุคคลนั้นซึ่งมีความเห็นผิดไปกระแสตันหาทั้งหลายไหลไปในอารมณ์ทั้งหมดตันหาดุดเทาวันก็งอกงามขึ้นพวกเธอครั้นเห็นตันหาดุดเทาวันที่งอกงามนั้น จงตัดรากด้วยปัญญาสัตว์โลกผู้มีแต่โสมนัสซาบซ่านช่ำชื้นด้วยสเสน่หามัวแต่สแสวงหาความสุขสำราญกันอยู่จึงต้องเข้าถึงชาติและชราร่่าไปมูสัตว์ถูกล้อมไว้ด้วยตันหาที่ทำให้สะดุง้งจึงดิ้นรนเหมือนกระต่ายติดบ่วงมูสัตว์ผู้ถูกสังโย์และกิเลสเครื่องข้องผูกไว้แน่น ย่อมได้รับความทุกข์ร่ำไปชั่วกาลนานมูสัตว์ถูกล้อมไว้ด้วยตันหาที่ทำให้สะดุง้งจึงดิ้นรนเหมือนกระต่ายติดบ่วงเพราะเหตุนั้นภิกษุเมื่อหวังให้ตนสิ้นราคะควรบันเทาตันหาที่ทำให้สะดุ้งเสีย 3. วิพันตะกะวัตุเรื่องภิกษุผู้กระสันจะศึก พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่บริษัทสดังนี้บุคคลใดออกจากอาลัยแล้วมีใจน้อมไปในป่าพ้นจากป่าแล้วยังแล่นเข้าไปสู่ป่านั้นอีกท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นเขาพ้นจากเครื่องผูกยังแล่นไปสู่เครื่องผูกตามเดิม 4. พันธนาคารวัตถุเรื่องเรือนจำ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เหล่าภิกษุผู้เห็นโจรถูกจองจำในเรือนจำดังนี้นักปราทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าปล้องว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแต่กล่าวถึงความกำนัดยินดีในต่างหูแก้วมณีและความใ ย, ยดีในบุตรปัญญาว่าเป็นเครื่องจองจาที่มั่นคง นักปรา้งหลายกล่าวถึงความกำหนัดเครื่องจองจําที่มั่นคงนั้นว่ามีปกติเหนียวลงย่อนยานแต่แก้ให้หลุดยากนักปราดเหล่านั้นตัดเครื่องจองจํานั้นได้แล้วไม่ใยดีและกาเมสุขออกบวช 5. เขมาเถรีวัตถุเรื่องพระเขมาเถรี พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถ า, านี้แก่พระเขมาเถรีดังนี้สัตว์ทั้งหลายผู้กำนัดยินดีด้วยราคะย่อมตกไปสู่กระแสตันหาเหมือนแมงมุมติดใยที่ตนถักไว้เองนักปราทั้งหลายตัดกระแสตันหานั้นได้แล้วหมดความใยดีย่อมละทุกทั้งปวงไปได้ 6. อุคเสนเศรษฐิป ต, ตวัตถุ เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนพระผู้มีพระภาคตรัพะคฐานี้แก่นายอุคเสนดังนี้เธอจงเป็นผู้ปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจงเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบเธอผู้มีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงแล้วจะไม่เข้าถึงชาติและชาราอีกต่อไปเจจูละธนุขะหะปันติตะวัตถุ เรื่องจุลธนุขหบัดิตพระผู้มีพระภาคตรัพระคาทานี้แก่พิสุหนุ่มรูปหนึ่งผู้กระสันจะศึกดังนี้บุคคลผู้ถูกวิตกย่ำยีมีราคาจัดเห็นอารมณ์ว่างามเสมอย่อมมีตันหาพ่อภูนมากขึ้นมากขึ้ น, นบุคคลเช่นนั้นแลชื่อว่าสร้างเครื่องผูกมัดที่แน่นนา ส่วนผู้ใดยินดีในฌานเป็นที่ระ ง, งับวิตกมีสติทุกเมื่อเจริญอสุภฌานอยู่ผู้นั้นแหลจจะทำตัณหาให้สิ้นไปได้จกตัดเครื่องผูกแห่งมารได้ 8. มารวัตถุเรื่องมารพระผู้มีประภาคตรพระคฐถานี้แก่มารผู้มีบาปดังนี้ผู้บรรลุความสำเร็จแล้วไม่มีความสะดุ้งกลัว ปราศจากตัญหาไม่มีกิเลสเพียงดังเนินตัดลูกสอนที่นำไปสู่พบได้ขาดแล้วร่างกายนี้จึงเป็นร่างกายสุดท้ายผู้ปราศจากตัญหาหมดความยึดมั่นฉลาดในนิรุตติบทรู้หมวดหมู่และเบื้องต้นเบื้องปลายของอักษรทั้งหลายผู้นั้นแลเรียกว่าผู้มีร่างกายเป็นร่างกายสุดท้ายผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษ เอุปการชีวะกะวัตถุเรื่องอาชีวกชื่ออุปกะพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับนั่งที่ควงไม้โพอาชีวกชื่ออุปกะเข้ามาถามพระองค์ว่าบวชเพื่อใครใครเป็นศาสดาพระองค์จึงตรัสพระคถาดังนี้เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงม่ได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวง และทำทั้งปวงได้หลุดพ้นเพราะสิ้นตันหาตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่า 10. สักกะเทวราชวัตถุเรื่องเท้าสักกะจอมเทพพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เท้าสักกะจอมเทพและเหล่าเทวดาดังนี้การให้ทำชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตันหาชนะทุกข์ทั้งปวง 11. อปุตตะเษฐิปุตธธปตวัตถุเรื่องอปุตตะเสฐีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าพสินทิโอสนดังนี้พวกข้ัพย์พทั้งหลายย่อมทำลายคนมีปัญญาสามแต่จะไม่ทำลายคนที่แสวงหาฟัง เพราะความทยานอยากในโภกรัพย์คนมีปัญญาซามจึงทําลายตนเองดุดทําลายคนอื่น 12. อังกุราวัตถุเรื่องอังกุรเทพบุติพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่อังกุรเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรดังนี้นามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีราคะเป็นโทษฉะนั้น ทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากราคะจึงมีผลมากนามีหญ yeah. ้าเป็นโทษหมูชนมีโทสะเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโทสะจึงมีผลมากนามีหญ้าเป็นโทษหมูชนมีโมหะเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโมหะจึงมีผลมากนามีหญ้าเป็นโทษ หมูชนมีความอยากเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากความอยากจึงมีผลมากนามียญ้าเป็นโทษหมูชนมีตันหาเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากตันหาจึงมีผลมากตันหาวรที่ี่ิี่จบ ภิกขุวัตหมวดว่าด้วยภิกษุหนึ่งปัญจะพิขุวัตถุเรื่องภิกษุห้ารูปพระผู้มีประภาคตรัพระคถานี้แค่ภิกษุห้ารูปผู้สํารุมทวานช่องตามร่างกายรูปละทวานดังนี้การสํารวมตาเป็นการดีการสํารวมหูเป็นการดี การสำรวมจมูกเป็นการดีการสำรวมลิ้นเป็นการดีการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมทวารทั้งปวงเป็นการดีภิกสุผู้สำรวมทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ 2. ทัหังสักคาตะกะพิกขวัตถุ เรื่องภิกษุฆ่าหงพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้ฆ่าหงดังนี้บุคคลผู้สำรวมมือสำรวมเท้าสำรวมวาจาสำรวมตนยินดีทำภายในมีจิตตั้งมั่นอยู่ผู้เดียวสันโดษบัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียกว่าภิกษุ 3. โกกาลิกะวะัตถุเรื่องพระโกกาลิกะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุรูปใดสำรวมปากพูดโดยใช้มันตาเสมอไม่ฟุ้งซ่านแสดงแต่อัดและธทรรมเท่านั้นภาศิษของภิกษุนั้นไเระ 4. ธรัรมมารามเทรวัตถุเรื่องพระเทระผู้ยินดีในธรมรมภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในธรรมพิจารณาใคร่ครวนถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากสัตรธรรมหอัญญตระวิปะขะเสวะกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้คบฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่ภิกษุที่เป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัต ด, ดังนี้ ภิกษุไม่ควรดูหมินลาบของตนไม่ควรเที่ยวปรารถนาลาบของคนอื่นเมื่อภิกษุปรารถนาลาบของคนอื่นย่อมไม่บรรลุสมาธิถ้าภิกษุแม้จะมีลาบน้อยแต่ไม่ดูหมินลาบของตนเทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นแหลว่าเป็นผู้มีอาชีพหมดจดไม่เกียจคร้าน 6. ปัญจคทายกะพรามณวัตุเรื่อง พรามถวายทานอันเลิศห้าอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พรามและนางพรามณีผู้ถวายทานอันเลิศห้าอย่างดังนี้ผู้ใดไม่มีความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของเราโดยประการทั้งปวงและไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปแปลผันไปผู้นั้นแลเราเรียกว่าภิกษุ7 สามปรหุระพิขุวัตุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุผู้อยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็จะพึงบรรลุสันตบทอันเป็นที่ระ ง, งับสังขารเป็นสุขภิกษุเธอจงวิทยเรือนี้เรือที่เธอวิทยแล้วจกถึงเร็วเธอตัดราคะโทสะได้แล้ว ต่อจากนั้นก็จะบรรลุนิพพานภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำหพึงละสังโยชน์เบื้องสูงหและพึงเจริญอินทรีย์ห้าให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคลองห้าได้แล้วเราเรียกว่าผู้ข้ามโอคะได้ภิกษุเธอจงเพ่งพิ น, นิจและอย่าประมาทจงอย่าปล่อยจิตของเธอให้วนเวียนอยู่ในกามคุณ อย่าเผลอกลืนก้อนเหล็กแดงในนรกอย่าเร่าร้อนคร่ำครวญอยู่ว่านี่ทุกจริงฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานผู้มีทั้งฌานและปัญญานั่นแลจึงนับว่าอยู่ใกล้นิพพานภิกษุผู้เข้าไปยังเรือนว่างมีจิตสงบเห็นแจ้งธรรมโดยชอบย่อมเกิดความยินดีที่ไม่ใช่ของคนทั่วไป ขณะใดภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันทั้งหลายขณะนั้นเธอย่อมได้รับปิติปราโมทซึ่งเป็นอมตะธรรมสำหรับผู้รู้ทั้งหลายในอมตะธรรมนั้นธรรมนี้คือความสำรวมอินทรีความสันโดษและความสำรวมในปาติโมกเป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญาในาศาสนานี้เธอจงคบภิษุที่เป็นกรยานามิตร มีอาชีพหมดจดไม่เกียรคร้านควรทำการปฏิสันถานและฉลาดในเรื่องมารยาทเพราะปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าวนั้นเธอก็จะมากด้วยความปราโมทจากทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ 8. ปัญจสตะพิกขุวัตถุเรื่องภิกษุห0 0รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงสลัดราคะและโทสะทิ้งเสียเหมือนต้นมะลิสลัดดอกที่เหี่ยวแห้งฉะนนั้นเก้าสันตกายะเทรวัตถุเรื่องพระสันตกายะเทระพระผู้มีพระภาคตรัพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบ มีจิตตั้งมั่นดีแล้วและเป็นผู้ละโลกามิตรได้เราเรียกว่าผู้สงบระงับสิบนางคละกูตะเทรวัตถุเรื่องพระนางคละกูตะเทร ะ, ร พ, ร ะ, ะ, ะ, ทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุเธอจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาดูตนด้วยตนเอง ถ้าเธอคุ้มครองตนเองได้แล้วมีสติเธอก็จะอยู่เป็นสุขตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติของตนเพราะฉะนั้นเธอจงสงวนตนให้ดีเหมือนพ่อค้ามา้าสงวนม้าพันดีฉะนั้น11วกคลิเทระวัตถุเรื่องพระวกคลิเทระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พระวกลิเทระดังนี้ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทเลื่อมใสในพุทธศาสนาพึงบรรลุสันตบทอันเป็นธรรมเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารเป็นสุขสิบสองสุมนณะสามนเณระวัตถุเรื่องสุมนณะสามนเนนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ภิกษุใดแลยังหนุ่มแน่นย่อมประกอบขนขวายในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยัยเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นภิกขุวักที่2ี่ห้าจบ